รูปแบบแรกคือเราปฏิบัติทำร่วมกันนะเป็นหมู่เป็นคณะกันอีกลูปแบบหนึ่งก็คือเราปฏิบัติคนเดียวอมีแต่กุฏิอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่ส่วนตัวม็มีสองรูปแบบบางคนก็ชอบทำเป็นหมู่คณะเป็นคนนี้เดินคนนั้นเดินก็ขยันชอบ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 อย่บนเขาตรงใกล้ๆรั้วป่าสุขโ ต, โตนี่แหละแต่เป็นของลูกเขาที่หลวงพ่อไปคําเขียนไม้จำมันสาปีนี้แหละเอาแถวคูลงคู่โคงตรงนั้นแล้ ว, วก็เก็บเข้าค่ายปฏิบัติเก็บรวมกันทําให้ได้รับเวทนาได้รับทุกนะแต่ว่าเหนือเวทนามันก็จะมีถ้าเราอยู่เหนือเวทนาได้ก็จะมีปิติมีความสุขเหมือนกันนะออื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 คือความรู้สึกมันจะชัดกว่าความรู้สึกตัวเน่ะมันจะชัดเห็นเวทนาชัดเห็นความรู้สึกชัดอความคิดก็ชัดทุกอย่างชัดแล้วมันก็เกิดปิติเกิดความสุขเบากายลอยใจอเดินตัวเปลี่ยวตัวล อ, อยนะแต่พอปิติหายไปก็กลับมาทุกเหมือนเดิมกลับมาปวดเหมือนเดิมกลับมาเออ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 แต่งงานไม่ต้องมีครอบครัวแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบพ่อแม่พี่น้องแบบญาติโยมนะก็ไม่มีใครบอกนะให้เราให้เราฝืน <Britney. S 2> ให้เราออกให้เราแสวงหาความสุขที่มันเหนะือกว่าความสุขจากเวทนาเนาะไม่มีใครบอกเราแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่เนะ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 ที่เราจะต้องจะต้องรู้ให้ได้นะจะต้องรู้ให้ได้นะก็เลยใช้ความสุขนะความใช้ความสุขใช้คนใช้ผู้หญิงเป็นอ่ากุณร์รในการศึกษานะศึกษาเวทนาความรู้สึกของตัวเองนะเวลา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 ถ้าเกิดมาปวดแล้วเกิดมีคนมาชอบอีกเราจะทำไงเเนะาะก็เลยก็เลยต้องทำให้แน่ใจก่อนก็พิสูจน์ทดสอบทดลองนะทดสอบทดลองดูความรู้สึกดวอา ร, รมณ์ตัวเองนะันถะึงแน่ใจว่าโอเคเราเอยู่คนเดียวได้กนะ็บอกให้เขารู้นะบอกว่าเราอยากอยู่คนเดียวนะ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 เท้านี่ยก็เกืจะได้ตัดทิ้งเลยนะก็เลยรักษากันนานนะก็เลยได้รับทุกเวทนานานนะเพราะกับศุขนะพรกับศุขร์นะศึกษาเรื่องศุกร์เวทนาอยู่สองสามปีเหมือนกันแล้วก็มาดูศึกษาเรื่องทุกเวนทนาอีกสองสามปีก็เลยตอบย้ํำนะนะให้เราได้ชัดเจนนะว่าให้เราเข้าใจเรื่องเวทนาได้ชัดเจน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 แฟนอยู่กับผู้หญิงเนี่ยเรามันรู้สึกอย่างไรอยากจะกลับไปเหมือนเดิมไหมตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดตอนที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยมันคิดแล้วมันรู้สึกอย่างไรอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมอยากจะกลับไปเป็นปกติไหมเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมเนี่ยมัน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 คือเวทนามันดูได้หลายชั้นนะมันดูได้หลายทอดตอนที่มันเป็นเกิดกับกายเราเนี่ยเกิดขึ้นกับกายเราเนี่ยเรามันเป็นความรู้สึกเวทนาที่เกิดภายนอกนะเราถ้าเราไม่รู้ท้าทานันไม่เป็นไรนะไม่รู้ท้าทานันคือไม่รู้ว่ามันเป็นเวทนาเป็นแค่ความอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล่มันมันก็ลามมาเป็นเวทนาทางใจ ก็ เ, เป็นรู้สึกหมุดหนิดลำคาญไม่ชอบไม่พอใจอยากจะให้มันหายปวดหายเจ็บอยากให้ได้ความสุขสบาย AH. เป็นความรู้สึกเกิขึ้นในใจทีนี้ความรู้สึกเหลนี้เก็ขึ้นในใจแล้วเราสามารถที่จะรู้ความรู้สึกเหล่านี้ได้อีกทีหนึ่งความพอใจไม่พอใจควา ม, well. มหมดุดลำคาญอภายในใจเราเนี่ยรู้สามารถรู้มันได้สามารถรู้รู้ท้อทันเวทนาทางใจได้อีกทีหนึ่ง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 มันจะแยกออกนะต้องอาศัยการเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มากๆให้มันกลายเป็นมหาสติเรนะ mm hmm. ล้วก็เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมันก็จะมันก็เห็นชั ด, ดว่าแยกสิ่งต่างๆได้นะสามารถแยกแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะะที่มันติดกันอยู่นะ่นะนะแล้วก็จะสามารถแยกตัวเองออกมาจากกายออกมาจากเวทนาออกมาจากจิตจากธรรมได้นะ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 ไม่คุยไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียว24ชั่วโมงอยู่คนเดียวลองดูไม่มีโทรศัพท์ไม่มีออินเเทร์น็ตไม่มีทีวีไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีหนังสือไม่มีอะไรมีแต่กายกับใจอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงลองดูนะเนะให้ได้สักวันหนึ่งก่อนวันหนึ่งผ่านเขาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆสองสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยถ้าเราเคลียร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 แค่น้นี้ก็ตามาก็ให้ข้อคิดนะเราเอาไปฝึกใช้ที่บ้านนะฝึกใช้ที่บ้านนะเราเจอที่บ้านเวทนาเยกว่าทีวัดเนะโดนกระทบโดนสัมผัสนะทางด้านลายอย่างตานะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางอจนะอายตนะนะมันมันเจอเจอทุกวันเนะถ้าเราเจริญสติเป็นเนาะสนุกนะอยูท่ที่บ้านอเดี๋ยวว่า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 ออกจากสังคมหรืก็ะทังออกจากโลกเป็นโฮมเลสแบบพวกเขาทำไมเพราะเป็นโฮมเลสะคนไม่ ม, ม, ม, มีบ้านอยู่ที่ไหนกินที่ไหน ái, นอนที่ไหน ái, ตายที่ไหน ái, ส บ, บายเปะะ็นนิสระไม่มีใครมาสนใจก็ทําให้เรามีควา ม, ามสุขเป็นนสะะิสระ